วันนี้เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหนึ่งตรงกับวันที่สองธันวาห้าสองในครั้งพุทธกาลท่านก็ถือว่าวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่แหละเป็นวันธรร ม, มัตสวรนะเป็นวันฟังธรรมยุคสมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังพุทธบริษัทยังไม่มาก มีแต่แส ด, แดงทำมเทศนาทุกแห่งหนต่างคนก็ต่างอยู่ก็อยากจะไปพบเวลาไหนก็ไปอยากจะไปสนทนาปรารคเวลาไหนก็ไปทีนี้พระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤิท่านก็เห็นศาสนาอื่นเขามีการประชุมกันอย่างศาสนาคริสอย่างเนี้ยสมัยสมัยนั้นศาสนาคริสยังไม่เกิดหรอก แต่อย่างศาสนาคริสต์เขาก็จัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแต่พุทธศาสนาเนี่ยควรจะจัดเป็นจันทรคติขึ้นแรม8ดค่ำสิบห้าค่ำนะจึงได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าขอพรมางั้นะควรจะมีการประชุมกันในพุทธบริษัทสภิกษุสามนเณร อ, อุบาสิกาน่าจะมีสักวันหนึ่ง เดือนหนึ่งน่าจะมีสักสี่ครั้งพระพุทธองค์ก็ อ, อนุญาตเที่ยววันนี้แหละตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มนเนก็ได้มารวมกันไปชุมกันพร้อมเพียงกันจากนั้นก็ถือกันมาเรื่อยๆมาจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันวันนี้ก็อย่างวันเช้าอย่างนี้แหละทุกวัดทั่วประเทศไทย เรือวัดหลายหลายประเทศ8ดค่าสิบห้าค่ำเลยกูบาสกอุบาสิกาก็จะมาไหว้พระกราบพระไหว้พระบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาด้วยดอกไม้ทูบเทียนลําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็คือเป็นถือเป็นปร ะ, พประเพณีกันมาตั้งแต่ดึกําบันทั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่างั้นเหร จนมาถึงปัจจุบันขณะนี้เพราะนั้นวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และก็พร้อมกันกับเป็นวันให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองว่าเข้าระเจ้าได้มาถึงจุดนี้วันนี้ขาดตกบกพร่องอะไรบ้างในคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรม แต่าไม่จริงถ้าคำว่าพวกเราตรวจตาดูแล้วก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่กายว่าจาใจของเราอันดับแรกพวกเราก็ได้มาทำบุญทำทานต่อไปก็หลวงพ่อว่าอย่างวันพระอุใหญ่วันนี้ควรจะสมาทานศีล น, นะการสมาทานศีลหลวงพ่อก็เคยพูดหลายครั้งต่อหลายหนว่าการสมาทานศีล น, นั้นไม่ใช่ว่าเราจะ ขอจากพระทุกครั้งหรือขอจากหลวงพ่อทุกครั้งว่ามะยังพันเตติสรณีนนสหะปจจศีลายนยาจามะเนี่ยอันนี้ก็คือขอสมาทานศินหลวงพ่อก็ให้สินไปพวกเราก็สมาทานศินตามแต่บางครั้งพอมาวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ศินพวกเราก็ไม่ได้ขอสมาทานศินพมมากราบไหว้พระเสร็จแล้วถวายพระตฐานแล้วหลวงพ่อก็กล่าว สมโมทนิยตคถาอย่างเดียวเนี่ให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหลายแง่หลายมุมหลายเรื่องราวสุดแท้แต่หลวงพ่อจะนำทำคำสอนออกมาจุดไหนมาพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพวกเรามาวัดแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งน่ะหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราสมาทานศีลคือไม่จาเป็นจะต้อง หลวงพ่อไม่จ้องพวกเราไม่ต้องขอแล้วก็พวกหลวงพ่อไม่ต้องให้สินพวกมาถึงพวกเรามาถึงวันพระก็กราบพระประธานพอกราบพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตห้ิษฐานว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้า่เดือนหนึ่งเป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนเพนถ้าพรเจ้าขอสมาทานสินอุโบสถข้าพเจ้าจะงดฆ่าสัต ปานาอธินากาเมมุสาสุราวิกาลโพนัตคีมาลาอุจาข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถในวันพระนี้สำหรับผู้สูงอายุหลวงพ่อวาน่าจะทำอย่างนั้นพอตั้งจิตอธิษฐานนั้วนะเป็นศีลแล้วคือตั้งสัจจะอธิษฐานศีลเป็นศีลแล้วไม่จำเป็นจะต้องขอจากหลวงพ่อนะผู้ที่จะมาสมท า, านศีลห้าก็เช่นเดียวกัน ต้องจิตอธิษฐานเออข้าพเจ้าจะสมาทานศีลห้าวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เพียงแค่นั้นะเป็นศีลห้าแล้วจากนั้นก็รักษาแหละแต่รักษากายวาจาของเราให้เป็นผู้มีศีลการรักษาศีลถ้ารู้เรื่องวิธีการรักษาแล้วไม่ยากเพียงแค่นั้นแหะจบ่เพราะว่าการรักษาศีลนี่คือเจตนาวิรจเจตนาใครเขาว่าตั้งใจใ น, ในใจของเรา แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ตั้งใจเห็นว่าสมาทานศีลแล้วก็ว่าไปตามพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ว่าอย่างไงก็ว่าไปตามพอจบแล้วก็เป็นศีลนในขณนะที่ว่าเท่านั้นเองพอออกไปแล้วก็ไม่รักษาจะบีมดตบยุงอะไรก็ทำไปเลยก็สศีลขาดไปเรื่อยๆทีนีเนี่ยะเพราะนั่นเรามาสมาทานศีลแต่ไม่มี สัจจะหรือไม่มีความจริงจังและจริงใจในจิตใจการรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อั น, นิสง์ที่จะเกิดจากการรักษาศีลก็น้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาถึงวันพระวันนี้แล้วหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราวิรักเจตนารักษาศีลถ้าพวกเรารักษาศีลดีแล้วอั น, นิสง์แห่งศีลอั น, นิสงส์ศีลจะคุ้มครองพวกเรา สีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสินสีเลนะโพกสัมปทาผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะินเพราะสินเป็นผู้คุ้มครองสินเป็นเครื่องเครือกุลหนุนทําอะไรขึ้นมาก็จเจริญงอกเงยขึ้นมาได้เพราะใ น, นสงสินเครือกุลหนุนสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ ผู้จะไปสู่ดิพานได้ก็เพราะศีลถ้ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีแล้วการภาวนาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเราไม่กระวนกระวายไม่กระเพื่อมแต่ถ้าว่าพวกเราไปทำกรรมชั่วมามากมายแล้วจะมาภาวนาจะชำระจิตใจให้สงบให้นิ่งให้บริสุทธิ์ผุดพองนั้นเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจตธาญาติโยมทุกคนนะวันนี้เป็นวันสมาทานศีลไม่ว่าแต่วันนี้วันต่อๆไปก็เหมือนกันถ้าพวกเราถึงวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำถือว่าเป็นวันประเพณีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พุทธบริษัทสี่ให้รำลึกถึงคุณงามความดีของตนเองพอที่จะสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้า พอที่จะมาทานศีลอุโบสถได้ก็สมาทานศีลอุโบสถสรุปแล้วก็คือวันแปดค่าสิบห้าค่ำให้พวกเราประกอบคุณงามความดีมาพูดสรุปลงมาแล้วนะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีจึงจะไปกราบพ่อกราบแม่ก็ได้จะไปกราบปู่ย่าตายายก็ได้ไปกราบผู้ทรงคุณวุฒิที่พวกเรารักเคารพนับถือก็ได้ถ้านานๆไปเออวันนี้เป็นวันพร ะ, ะเราไม่ได้ไปไหนเราว่าง แล้วว่าเป็นวันวันบําเพนกุศลเนี่ยเราจะสวัไปกลกับผู้มีอุปการะคุณสำหรับเราก็ได้ถือว่าเป็นวันบําเพนกุศลทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมีแต่ท ร, รมาหาเลี้ยงชีพเป็นปีๆเดือนเดือนวันวันไปไม่ได้สนใจอาหารทางด้านจิตใจอาหารจิตใจหิวหวย จิตใจว่าเวีอ้างว่าเงาเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจของเราจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะให้เราคิดว่าในตัวของเรานี่มีสองอย่างคือกายกับใจเราหาข้าวน้ําโภชนาะอาหารปัจจัยสี่ที่สะแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายทั้งมวล น, นะนะั่นแหะมาเพื่อดูแลร่างกายของเราให้อยู่ได้ไม่ให้เดือดร้อน เวลาหนาวก็มีผ้านุ่งหม่มเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาหิวก็มีอาหารการบริโภคเวลาอยู่ก็มีที่พักพาอาศัยบ้านมีบ้านพักพาอาศัยปัจจัยสี่แต่ส่วนอาหารใจอีกต่างหากนาะพวกเราโดยมากจะขาดอาหารใจอาหารกายทนะั้งพวกเราก็ได้ ดูได้แลกันอยู่สรุปแล้วก็คือพยายามบางคนก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่บางคนก็เออมีฟุ่มฟวยเหลือเฟือในปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยแต่ส่วนอาหารใจนี่เนี่ยในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักมากถึงจะอาหารกายขาดตกบกพร่องแต่อย่าให้ขาดอาหารทางด้านจิตใจที่พระกรรมฐานอยู่ในป่ารงพงไพหรือพระสงฆ์เนี่ย ดูสิท่านไม่ได้ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนท่านกับพึ่งพาอาศัยจากชาวบ้านกล่าวว่าพึ่งพาอาศัยคนอื่นบางครั้งไปบินธบัติก็ได้บางไม่ได้บางบางทีบางครั้งเอือเหลือเฟือฟุ่งเฟือยมากมายฉันไม่หมดแต่บางวันบางครั้งก็บินธบัติเกือบจะไม่ได้ก็มีนี่แหละคือการเป็นอยู่ท่านไม่ให้เน้นหนะักท่านไม่ได้ให เป็นทุกข์กับการเป็นอยู่อิ่มบ้างอดบ้างอดบ้างอิ่มบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของธาตุขันร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะพระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นถ้าว่าใจของเรามีความสุขจิตใจงรามมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในจิตในใจแล้วถึงจะไปอยู่ในป่าดงพงไพนั้งขาดอาหารการบริโภคขาดตกบกพร่องท่านก็บอกว่า ถ้าใจมีอาหารเพียงพอคือธรรมะในจิตใจเพียงพอแล้วไปอยู่นสถานที่ไหนท้งว่าสุขหนอสุขหนอให้แค่ว่าจิตใจไม่หิวไม่โหยไม่กวัวลไม่กาวายไไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเก่าเศร้าซึมไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบผู้ลมเย็นเป็นสุเพราะทำจิตใจให้อิ่มให้พอให้สงบจิตใจให้นิ่งนี่แหละ ในหลักของพุทธศาสนาคืออาหารอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยคืออย่างนี้คือสมาธิปัญญาเนี่ยนะสมาธิคือทําใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ให้ใจปุงฟงออกไปข้างนอกสรุปแล้วก็คือให้ใจพักผ่อนนะ่ะพูดง่ายๆนะสรุปรงมาก็คือเวลาเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เวลาช่วงทําการทํางานก็ทําการทํางาน พอทํางานทําการทางานเสร็จแล้วเราเหนื่อยแล้วก็พักพักผ่อนคือพักผ่อนร่างกายก็คือการนอนพักผ่อนอริยบทอันนี้ก็คือเป็นความสุขของมนุษย์คือความสุขที่สุดของมนุษย์ก็คือการพักผ่อนนอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็เออช่มชื่นเบิกบานเพราะเหตุอะไรเพราะเราได้พักร่างกายแต่ใจของเราล่ะทีนี้ ถ้าใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ทั้งวีทั้งวันมีเรื่องอะไรตรงอะไรคิดปวดหัวอยู่ทั้งวันเพ่อเพอจะเป็นประสาทเอาตาแดงนอนไม่หลับเพราะคดคิดมากค่ะอันนี้ปรุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไม่รู้จะทำยังไงใจของเราจึงจะสงบใจของเราจะไม่คิดเน่แต่ถา้าเราพยายามทำใจให้สงบใจไม่คิดใจให้นิ่งให้ใจอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่าน กำหนดลมหายใจเข้าออกกอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นพยายามบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อใจของเราอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความรู้สึกเดียวใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเท่นี่นั่นแหละท่นีนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีร่างกายสงบนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่จิตใจสงบนั้นยิ่งกว่า ร่างกายการหลับนอนของเราเสอีกใจของเราสงบเพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะศึกษาดูนะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนอย่างที่ทว่านี่นะแต่ตามไม่จริงก็ไม่หลายขั้นตอนมีสองขั้นตอนคือกายสงบใจสงบแนเองกายสงบก็คือการพักผ่อนนอนแต่ว่าก่อนที่จะพักผ่อนนอนเราก็มีพร้อมบริบูรณ์ทั้งปัจจัยสซะก่อนนะ อันนี้ก็เหมือนกันน่ะใจจะสงบได้ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนานะมีทานมีศีลเมื่อมีทานมีศีลเราลองเพลกถึงลินคุณงามความดีของเราก็ไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องจากนั้นกับภาวนาภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบเป็นหนึ่งแล้วทธเนี่นะความสุขก็เต็มเปี่ยม จากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วยังไม่อยู่เพียงแค่นั้นะ่ะเทเนี่ยพราะพุทธเจ้ายังสอนให้เหนือกว่านั้นไปอีกก็สงบเพียงแต่นอนหลับเฉยเหมือนกับคนนอนหลับ น, นอนหลับนั้นมีความสุขละก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ต้องส่อแสวงหาความรู้อะไทเนี่ยสิ่งไหนที่ความรู้ต้องขนขวายัะแสวงหาความรู้ใส่ตัวเองความรู้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดทเนี่ย ความรู้ของกายที่เราจะต้องขนขายในการเป็นอยู่แต่ความรู้ของทางสมาธิทางด้านปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ให้ขนขายอีกเหมือนกันเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วทีนี้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยวิปัสนาทีนีนั่นะออกมาทางนี้หละท่า น, นี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะวิปัสนาปัญญานันคืออะไร ให้เห็นตามความเป็นจริงการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่อย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นอริยะบุคคลตามขั้นตอนขึ้นไปสูงสุดจนถึงพระอรหันต์เพราะนั้นธรรมะทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายขั้นตอนนะขันศรัทธา ญ, ญาติโยมนะศึกษานะทุกวิชาอาชีพตรงพวกเราต้องศึกษาวิชาของพรธศาสนาวิชาของพระพุทธเจ้าน่ยคือวิชาสอนทางด้านจิตใจคือสอนนามธรรมสอนละเอียดนะ mm. เพราะจิตใจมันมองไม่เห็นมันไม่เป็นตัวตนแต่มีพลังคนเรามีพลังเพราะใจของเราเนี่ยบังคับให้ กายวิ่งก็ได้ให้กายเดินก็ได้ให้กายพูดก็ได้อย่างหลวงพ่อกําลังพูดอยู่นเดี๋ยวนี้ก็คือใจนั่นแหะทางสมองสั่งให้หลวงพ่อให้ปากพูดออกมาเนี่ยให้ปากพูดออกมาให้พวกเราได้ยินได้ยิ น, ไ ด, ยนได้ศึกษาเนี่ยแต่คําว่าหลวงพ่อไม่พูดออกมาจากทางปากพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อนึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละใจตัวนี้แหละใจที่ตัวเป็นตัวพลังนี่แหละ บ, บังคับให้ วาจาพูดออกมาหรือปากพูดออกมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยนะเพราะพุทธศาสนาสนใจเรื่องตัวนั้นะตัวพลังตัวนั้นน่ะตัวที่บังคับคําพูดออกมาให้พูดเป็นคําพูดออกมาเนี่ยนะที่ว่าศึกษาธรรมะหรือว่าสมาธิที่จะจับเข้าไปสู่จุดนั้นนะ่ะคือจุดใจนั่นแนหะหลักของพุทธศาสนาว่าท่านให้ความสําคัญจุดนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมโนโปุพังขา ม, มาธรร ม, มามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดนะเพราะนั้นพวกเราศรัทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาศึกษาธรรมะปฏิบัติถ้าเอาชนะตัวเองได้แล้วนั่นละ่ะเป็นบรมมัตสะชนะกิเลสในใจของตนเองได้แล้วเป็นบรมมุขนุแต่ว่าก่อนที่จะชนะได้โอ้ล้มลุกคุกคานหลายตั้งเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าจะนอนสู้ไม่ได้นะกิน อ, อ, อิ่มสู้ไม่ได้ต้องสู้ด้วยตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าอดนอนผ่อนอาหารเล่งความภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะใช้ปัญญาพิจารณาไข้ควรทบทวนเห็นอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเ่ต้องเห็นอย่างนั้นจึงจะปล่อยวางจึงจะพ้นทุกได้นะต่อ น, นื่ไปรับผ น, นะท น, นอนุโมทนาให้พรน